วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเหมือนกับการขับรถยนต์ไปที่สถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันรถเพื่อเติมน้ำเติมลมให้รถยนต์มีพลัง ที่จะขับเคลื่อนไปไหนได้ต่อไปเพราะถ้าไม่ได้เข้าแวะตามสถานีบริการเป็นระยะระยะเวลาที่น้ำมันหมดหรือน้ำแห้งหรือลมแห้งรถก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้จิตใจของพวกเรา ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะต้องมีการเติมพลังให้แก่จิตใจสิ่งที่เป็นพลังหรือเป็นกำลังของจิตใจคืออะไรก็คือศรัทธาความเชื่อวิริยะความอุตสาหะความขยันหมั่นเพียร สติการและครูสมาธิความตั้งมั่นอยู่ในความสงบและปัญญาความฉลาดนี่คือคุณธรรมห้าประการที่จะทำให้จิตใจมีพลังมีกำลัง ที่จะนำพาจิตใจให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้นั่นก็คือไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเวลาที่เราฟังทำแต่ละครั้งนี้เราจะได้ศรัทธาเพิ่มขึ้น เราจะได้วิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรเพิ่มขึ้นเราจะได้สติเพิ่มขึ้นได้สมาธิได้ปัญญาเพิ่มขึ้นการแสดงธรรมการฟังธรรมจึงเป็นส่วนประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงประกาศพระธรรมศาสนาเป็นครั้งแรกตอนที่ได้ทรงแสดงพระธรรมมาจากกับภวัตตนสูตรให้แก่พระปัญจวัคคีหลังจากที่ทรงแสดงเสร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุถึงพระอริยธรรมขั้นที่หนึ่งได้เข้าสู่กระแส สู่พระนิพพานนี่คืออํานาจหรือบารมีของการฟังเทศฟังธรรมสามารถยกจิตของบุคคลธรรมดาสามัญปุตุชนที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดให้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ การแสดงธรรมนี้จึงเป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าส่งให้ความสำคัญที่สุดยิ่งกว่าภารกิจต่างๆถ้าเราศึกษาพุทธกิจห้าที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญอยู่ทุกวันนี้เราจะเห็นเลยว่าส่งให้ความสาคัญต่อการอบรมสั่งสอน ต่อการแสดงธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและค้าราชกพุทธกิจหมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็ทรงแสดงธรรมให้แก่ศรัทธายาวยมในตอนบ่ายข้อที่สองในตอนค่าก็ทรงแสดงธรรมให้แก่ภิกษุสามเณร ข้อที่สามในตอนดึกก็ทรงแสดงทำให้แก่เทวดาข้อที่สี่ตอนเช้าก่อนจะเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเลงยามดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมโปรดใดไปโปรดบุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ แล้วหลังจากนั้นก็ทรงเสด็จออกโปรดสัตว์บินทบาทนี่คือพุทธกิจห้ากิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวันของพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญต่อการแสดงธรรมถึงสี่ครั้งด้วยกันในแต่ละวัน แล้วก็สรงโปรดสัตว์ด้วยการบิณฑบาตให้สัตว์โลกที่อยากจะได้ทำบุญอยากจะได้บุญกุศลได้มีโอกาสได้ทำบุญกันนี่แหละคือกิจที่พระพุทธเจ้าสรงบําเพ็ญหลังจากที่ได้สรงตัดสรูปเป็นพระอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสรงเน้นในการให้กำลังใจ แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีดวงตาเห็นธรรมได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมนี้จะไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติหนึ่งสองไม่มีปัญญาคือไม่มีสัมมาทิฏฐิที่จะรู้ว่าควรจ ะ, จะเจริญอะไรควรจะละอะไรควรจะบําเพ็ญอะไรไม่ควรบาเพ็ญอะไรถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรก็จะทำไม่ถูกก็จะทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ควรจะทำจะไม่ได้ทำสิ่งนี้สิ่งที่ไม่ควรทำกลับไปทำถ้าทำแบบไม่ถูกต้องทำแบบผิดผิดถูกถูก ผลก็จะไม่เกิดขึ้นผลที่ถูกผลที่ดีจะไม่เกิดขึ้นคือการก้าวหน้าสู่การหลุดพ้นสู่สู่พระนิพพานสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นมาการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นภารกิจที่สําคัญต่อผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะนอกจากจะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิจะได้กำลังใจได้ศรัทธาจะทำให้มีความเชื่อที่แน่วแน่ต่อการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกต่างๆทำให้มีวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรทำให้มีสติ ว่าเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้ต้องฟังด้วยสติถ้าไม่ฟังด้วยสติก็จะเป็นฟังแบบทัพพีในหม้อแกงถ้าฟังด้วยสติก็จะฟังเหมือนกับลิ้นกับแกงเวลามีสติใจจะจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วก็พิจารณาตามเหตุตามผลของธรรมที่ กำลังแสดงอยู่ในขณะนั้นจำเป็นจะต้องมีสติควบคุมใจให้ตั้งมั่นอยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือไม่ให้ไปพูดคุยกันหรือไม่ให้ลุกไปทำอะไรกันถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถควบคุมบังคับ กายวาจาใจให้นิ่งให้สงบได้เลยลองสังเกตดูเวลาที่ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันใจนี้จะเป็นเหมือนเล็งเลยอยากจะพูดอะไรก็พูดกันอยากจะทําอะไรก็ทํากันอยากจะคิดอะไรก็คิดกันไม่มีการควบคุมกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเลย แสดงว่าไม่มีสติไม่มีความเพียรกันเพราะความเพียรในในการปฏิบัติธรรมก็คือการเพียรสร้างสติขึ้นมานีเ้เพราะสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งไม่มีธรรมใดที่จะสำคัญเท่ากับสติถ้าไม่มีสติแล้วธรรมอย่างอื่นเช่นสมาธิปัญญาวิมุตติ มรรผลนิพพานจะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้เลยจําเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้นําทางเป็นเหมือนกับรถยนต์ก็เป็นเหมือนกับกุญแจรถยนต์ถ้ากุญแจหายนี่ก็ไปไหนไม่ได้ขับรถไปไหนไม่ได้เปิดรถเปิดประตูรถไม่ได้ก็ไปขับรถ สตาร์ทรถให้รถวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจฉันใดถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิฟังเทศฟังธรรมก็ไม่สามารถควบคุมกายวาจาใจให้สงบได้ดูพวกที่ฟังเทศแบบไม่มีสติเวลาพระเทศกันก็คุยกัน หรือไม่เช่นนั้นก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเปิดหนังสือดูเปิดโทรศัพท์ดูโทรศัพท์คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมนี่คือลักษณะของการฟังธรรมโดยไม่มีสติฟังไปก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่องได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เข้าใจความหมายของเสียง เข้าหูซ้ายก็ออกหูขวาไปไม่ได้เข้าไปในใจเลยแม้แต่หยดเดียวก็เหมือนกับทัพพีที่อยู่ในหม้ อ, อกแกงต่อให้อยู่ในหม้ อ, อกแกงนานขนาดไหนก็จะไม่รู้รสชาติของแกงเลยว่าเป็นแกงชนิดใดอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ถ้าฟังด้วยสตินี่ แม้แต่ได้สัมผัสกับทำเพียงคำเดียวก็สามารถรับประโยชน์ได้เหมือนกับลิ้นที่สัมผัสกับแกงเพียงหยดเดียวจะรู้รสชาติของแกงเลยว่าเป็นรสชาติอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยนี่คือความสำคัญของสติเป็นการ เริ่มต้นของการปฏิบัติการที่การการจะปฏิบัติให้เจริญคืบหน้าได้จึงต้องมีการเจริญสติเป็นอันดับแรกต้องเจริญตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับเลยนี่คือการปฏิบัติแบบเต็มร้อยเต็มรูปแบบ เป็นการปฏิบัติแบบมืออาชีพไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นถ้ามือสมัครเล่นนี้ก็ปฏิบัติตามเวลาตามโอกาสว่างเวลาไหนก็มาปฏิบัติกันไม่ว่างก็ไม่ได้ปฏิบัติกันเพราะยังไม่ได้เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรม ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าภารกิจการงานอื่นๆทั้งหลายที่กำลังทากันอยู่เพราะยังไม่ได้ลิ้มรสแห่งธรรมนั่นเองยังไม่ได้สัมผัสกับรสของธรรมถึงแม้ฟังธรรมถึงแม้กายวาจาจะนิ่งจะสงบแต่ใจนี้ยังวกแวกอยู่ยังวับไปที่นูน่นยังวับมาที่นี่ ถ้ยังมีการแวบไปแวบมาอยู่ไม่ตั้งมั่นอยู่กับการฟังทำอย่างต่อเนื่องทำที่เข้ามาที่เป็นกระแสของเหตุของผลก็จะเกิดการขาดตอนขึ้นมาเมื่อเ ก, กเกิดการขาดตอนความเข้าใจในหลักของเหตุของผลก็จะไม่เป็นไปไม่สามารถเห็นเหตุและผลที่เชื่อมต่อกันได้ ก็ยาไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมายังไม่ได้เห็นคุณค่าของธรรมที่กำลังฟังอยู่ในขณะนั้นถ้าฟังแบบพระปัญจวคีฟังแบบพระอัญญาณโกนธัญญะนี่จะฟังแบบมีสติจดจ่ออยู่กับการฟังตลอดเวลาใจนี้จะไม่แวกไปที่ไหนเลย พอไม่แวะไปไหนการแสดงด้วยเหตุด้วยผลก็จะต่อเนื่องกันเห็นเหตุเห็นผล เ, เกิดความเข้าใจเกิดสัมมาทิฐิเกิดปัญญาเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาเพราะมีอำนาจของสติที่คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ดังนั้นถ้าสติเรายังไม่จดจอ่อยังไม่ต่อเนื่องเราต้องหมั่นเจริญให้มันมากๆหมั่นเจริญสติก่อนแล้วทำอย่างอื่นจะตามมาทีหลังถ้ามีสติเวลาฟังเทศฟังธรรมก็จะบรรลุธรรมได้ถ้าธรรมที่แสดงนั้นเป็นธรรมแท้ธรรมจริง ธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเช่นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่พระปัญจวาคัคคีเป็นธรรมแท้ธรรมจริงธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของพระองค์เองไม่ได้เป็นธรรมที่ไปได้ยินได้ฟังมาหรือได้อ่านได้ศึกษามาเพราะการได้ยินได้ฟังการอ่านการศึกษานี่ เป็นเหมือนกับสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นทำที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านนี้เหมือนกับได้ฟังเขาพูดกันสิบครั้งสู้ทำที่เห็นจากการปฏิบัติเพียงครั้งเดียวไม่ได้ยิ่งการจะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์จากการฟังธรรมส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ผู้แสดงธรรมด้วย อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ผู้ฟังธรรมถ้าผู้แสดงธรรมมีธรรมแท้แล้วผู้ฟังธรรมมีสติที่จะฟังและพิจารณาตามได้ผู้ฟังก็จะสามารถรับธรรมอันแท้นี้เข้าสู่ใจของตนได้ทาให้ปาทำให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมในแต่ละครั้งนี่ยมีผู้ฟังทมบรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากเพราะผู้ฟังก็ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบมีสติจดจ่อฟังอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนพอฟังก็เข้าใจทรงสแสดงให้ละก็ละทรงสแสดงให้เจริญอะไรก็เจริญ ก็เลยได้ผลทันทีทันใดในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมได้กำลังที่จะตัดภพตัดชาติได้ในขณะที่กำลังฟังธรรมเลยอันนี้ก็เป็นกรณีสำหรับบุคคลที่เรียกว่าเบือบัวเหนือน้ำทั้งหลายพวกที่มีอินทรีย์มีอินทรีย์ที่แก่กล้า มีอินทีย์ที่เป็นพระห้าคือมีสติมีศรัทธามีสติวิริยะสมาธิปัญญาที่แก่ก็เป็นพระหา้าไม่ใช่เป็นอินทรีย์ไม่ได้เป็นศรัทธาแบบธรรมดาไม่ได้เป็นวิริยะแบบธรรมดาไม่ได้เป็นสติสมาธิปัญญาแบบธรรมดา แต่เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เข้มข้นที่พร้อมที่จะนำไปสู่การทำลายข้าศึกษัตรูของจิตใจคือกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตในใจให้ตายอย่างราบคาบถ้ามีอินซีเหล่านี้อยู่ในใจที่เป็นพระห้าแล้วนี้ พอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี้จะสามารถบรรลุธรรมได้เลยบุคคลเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นพวกบัวเหนือน้ำรอให้แสงสว่างแห่งธรรมแสงสว่างของดวงอาทิตย์มาสัมผัสกับบัวบัวก็จะบานขึ้นมาเลยนี่เป็นพวกที่มีมีศีล ที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่ตั้งมั่นที่สงบเป็นฌานเป็นอัปปนาสมาธิพอได้ฟังธรรมคือปัญญาของพระพุทธเจ้าก็สามารถน้อมเอาเข้ามาทำลายตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด ให้หมดไปจากใจได้เลยนี่คือการแสดงธรรมในระยะแรกๆของพระพุทธเจ้าทรงไปแสดงกับพวกบัวเหนือน้ำทั้งหลายก็เหมือนกับคนที่เขาเก็บดอกบัวไปขายเขาก็จะไปเก็บดอกบัวที่มันอยู่เหนือน้ำเขาจะไม่ไปเก็บดอกบัวที่ยังเปิ่มน้ำอยู่หรือยังอยู่ใต้น้ำอยู่เพราะมันยัง ไม่บานนั่นเองมันยังบานไม่ได้ตัดไปขายก็ขายไม่ได้กลายเป็นบัวตูมไปถ้าต้องการให้บัวบานนี้เขาจะเอาบัวที่โผล่เหนือน้ําขึ้นไปแล้วไปขายฉนันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลที่ฉลาดการที่จะแสดงทำให้มันได้ประโยชน์ได้ผลไม่เหน็ดให้มันสมกับความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดจากการแสดง ก็ทรงเลือกแสดงกับพวกบัวเหนือน้ำก่อนในยุคแรกๆของการเผยแผ่ธรรมะนี่พระพุทธจเจ้าจะมุ่งไปสอนกับพวกนัก บ, บวช ท, ทั้งหลายนัก บ, บวช ท, ที่มีความเชื่อในลัทธิต่างๆซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิทั้งนั้นเพราะถ้าเป็นสัมมาทิฐิเขาก็จะบรรลุธรรมกันไปนานแล้วแต่เขาไปเชื่อใน สิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้ทำให้เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยพอพระ อ, องค์ทรงแสดงสัมมาทิฐิให้เขาเห็นให้เขารู้ว่าควรที่จะเชื่ออะไรไม่ควรที่จะเชื่ออะไรเขาก็เปลี่ยนความเห็นของเขาจากการเชื่อที่ไม่ถูกต้องมาสู่ความเชื่อที่ถูกต้อง เชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อปัญญาเชื่อความจริงพอเขาได้ฟังความจริงจากพระพุทธเจ้าเขาก็สามารถบรรลุขึ้นมาได้เลยหลังจากนั้นก็ส่งไปโปรดพวกที่เป็นบัวเหล่าที่สองต่อไปหลังจากที่ได้ เก็บบัวที่โผ่เหนือน้ำปลาหมดแล้วก็เลยต้องไปเก็บบัวที่อยู่ปริ่มน้ำคือบัวชนิดที่สองก็เป็นพวกที่มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิยังกำลังฝึกสมาธิอยู่ยังเจริญสมาธิกันอยู่พวกนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนบัวกลุ่มที่สองดาวที่สองต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอนมากหน่อยเพราะว่า ต้องสอนวิธีนั่งสมาธิสอนวิธีเจริญสติเพื่อให้จิตใจสงบก่อนเมื่อจิตใจสงบแล้วก็ค่อยสอนเรื่องการพิจารณาทางปัญญาต่อไปพิจารณาตายรักพิจารณาอาสุภะพิจารณาปฏิกูลของอาหารความเป็นปฏิกูลของอาหารพิษยะ พิจนาดินน้ำลมฝ่ายอันนี้ก็ต้องใช้เวลาแต่ก็หลังจากที่ได้อบรมสั่งสอนไปผู้ปฏิบัติก็จะพัฒนาจากบัวที่ปิ่มน้ำขึ้นมาเป็นบัวเหนือน้ำได้ฝึกสติจเจริญสมาธิจนได้อัปปนาสมาธิได้ฌานแล้วพอนาเมาปัญญาที่พระพุทธเจ้าส่งสแสดงให้มาพิจนาะ ก็สามารถบรรลุทำขึ้นมาได้ต่อไปนี่ก็เป็นบัวเหล่าที่สองเป็นนักบวชผู้มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิหลังจากนั้นก็ไปโปรดพวกเหล่าที่สามคือพวกที่ยังไม่ได้บวชกันจะเป็นพวกนักบุญไม่ใช่เป็นมุกนักบวชเช่นคารวะญาติโยมทั้งหลาย ที่เชื่อมีศรัทธาในการทำบุญทาทานในการรักษาศีลห้าแต่ยังไม่ปฏิบัติยังไม่ภาวนายังไม่นั่งสมาธิยังไม่ได้เจริญปัญญาก็สงสอนให้มารักษาศีลแปดกันมาเปกวิเวกันในช่วงเวลาว่าง อย่าไปเที่ยวกันอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันมาหาความสุขที่เกิดจากการระ ง, งับกิจกรรมทางร่างกายดีกว่าระ ง, งับกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมกัน ตรงนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปถ้าลองได้เริ่มรักษาศีลแปดลองเริ่มได้ภาวนาแล้วเริ่มปีกวิเวกแล้วเดี๋ยวต่อไปก็พร้อมที่จะปฏิบัติแบบนักบวชอย่างเต็มร้อยเต็มรูปแบบได้ในเบื้องต้นก็เป็นการทดลองเป็นการชิมไปก่อนเอาเวลาวันว่างวันหยุด แทนที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มาปฏิบัติทำมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจกันก็จะมาปีกุ้เวกตามสถานที่สงบสงัดเป็นพักๆเป็นช่วงๆวันไหนช่วงไหนว่างสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างก็มาบาเพ็ญกันถ้าได้สัมผัสกับ ผลที่ได้บำเพ็ญ <c oughs> ได้สัมผัสกับสมาธิจิตสงบได้เห็นคุณค่าของปัญญาที่สามารถระงับดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจต่างๆได้ก็อยากจะปฏิบัติให้เต็มรูปแบบต่อไปก็จะไปอยู่แบบนักบวชหรือบวชกันถ้าบวชได้ก็บวชถ้าบวชไม่ได้ก็อยู่แบบนักบวชแต่ปฏิบัติเหมือนกันก็คือ ปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาเหมือนกันแล้วถ้าพยายามทําไปเรื่อยๆก็จะพัฒนาจากบัวกลางน้ําไปเป็นบัวปลิ่มน้ําจากบัวเปลิมน้ําก็จะเป็นบัวเหนือน้ําแล้วก็จะเป็นบัวบานตามลําดับต่อไปบรรลุรมขั้นต่างๆอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามของชาวพุทธเหล่า ส่วนกลุ่มที่สี่นี้เป็นพวกที่ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะฟังเทศฟังธรรมไม่มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อเรื่องของการปฏิบัติที่จะนําไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดะ เชื่อแต่ความสุขที่หาได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากการมีลาบยศสรรเสริญพวกนี้ก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จให้กับการแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาจะไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเข้าก็เข้าในลักษณะแบบไหว้เจ้าคือเข้าไม่ถึงเนื้อเข้าไปแค่เปลือกของศาสนาเช่นเวลามาวัดก็จุดทูกเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขออะไรไปต่างๆนาน า, นาอาจจะทำบุญบ้างเพื่อเสริมพลังของการอธิษฐานให้มันมีน้ำหนักถ้าอธิษฐานโดยไม่ได้ทำบุญก็กลัวว่า จะไม่ได้สิ่งที่อธิฐานไปก็เลยต้องทาบุญบ่อยจากเงินทองให้กับวัดเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาจากการอธิฐานอันนี้ก็เป็นความงมงายเพราะการอธิษฐานนี้จะไม่ทำให้ได้สิ่งที่ต้องการได้กันถ้าได้จากการอธิษฐานก็ไม่ต้องมา ปฏิบัติไม่ต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันให้เหนื่อยยากก็จุดทูปเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้ดุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเลยทาก็ง่ายเอาเงินหยอดใส่ตู้หน่อยก็พออันนี้ก็เป็นพวกที่เข้าไม่ถึงาศาสนาเข้าไม่ถึงตัวาศาสนาไม่ถึงแก่นของาศาสนา เข้าวัดก็จะมาทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อจะได้สิ่งที่ตนเองอยากได้อันนี้เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะแสดงทำโปรดเขาได้เพราะเขาไม่มีความสนใจที่จะฟังเทศฟังธรรมกันมาวัดก็มาเพียงแค่กรา บ, บพระเสร็จแล้วก็กลับ ใส่บาตรบ้างหรือทาบุญให้ทานบ้างแต่เรื่องการรักษาศีลเรื่องของการภาวานานี่ไม่เคยคิดถึงไม่มีศรัทธาความเชื่อว่ารักษาศีลภาวานานแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรนี่คือเรื่องของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกพระองค์ทรง แสดงกับผู้ที่มีความสามารถที่จะน้อมเอาธรรมของพระ อ, องค์ไปปฏิบัติได้พวกที่ไม่มีความสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติพระ อ, องค์ก็ไม่ทรงแสดงให้เสียเวลานี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเรื่องของการแสดงธรรมเป็น ส่วนประกอบที่สาคัญของพระพุทธศาสนามีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมถึงจะมีการบรรลุธรรมได้มีการปฏิบัติได้มีการบรรลุธรรมได้เพราะถ้าไม่มีการฟังเทศน์ฟังธรรมไม่มีการแสดงธรรมก็จะไม่มีการปฏิบัติธรรมกันเมื่อไม่มีการปฏิบัติธรรมกันก็จะไม่มีการบรรลุธรรมกัน อย่างที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าตราบใดถ้ายังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบนั้นพระอาหารหันต์จะไม่ปัสะจากโลกนี้ไปถ้าตราบใดไม่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็จะไม่มีพระอาหารหันต์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้การจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ ก็เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิจากผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมกันก็ต้องฟังตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้ธรรมแท้ถ้าฟังจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุ ธ, ธรรมนี้จะไม่ได้ธรรมแท้จะเป็นธรรมในลักษณะจินตนาการ เหมือนกับได้ยินเขาพูดมาแล้วก็เอามาพูดอีกทอดหนึ่งก็เหมือนกับเราเวลาได้ยินแล้วเราก็ไปบอกคนอื่นเราก็บอกไปตามการจินตนาการของเราเพราะเรายังไม่ได้เห็นของจริงนั่นเองเหมือนคนบอกว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราฟังแล้วเราก็คิดไปเองอ๋อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แล้วเราก็บอกคนอื่นต่อไปว่าที่นั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันตรงกับความจริงหรือไม่พอไปดูไปถึงสถานที่นั้นมันอาจจะเป็นคน เ, เรื่องไปก็ได้เพราะเรื่องของสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนี่การแสดงธรรมของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมผู้ที่ยังไม่เห็นธรรมนี้ จะไม่สามารถแสดงธรรมอย่างถูกต้องได้จะแสดงธรรมตามความรู้สึกนักคิดเหมือนกับคนตาบอดคําช้างนีง่คนตาบอดคําช้างสี่หรือห้าคนนี้ก็เหมือนคนที่ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เอามาพูดว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนี้กัน คนที่ไปจับหางช้างก็บอกว่าช้างนี่มันเป็นเหมือนเชือกน ะ, ะก็ถูกไ ม, ม่ไม่ผิดมันก็เป็นหางหางมันก็เป็นเหมือนเชือกอแต่คนหนึ่งก็ไปคำทองช้างก็บอกไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเหมือนเชือกอมันเป็นเหมือนฝาผนางังอีกคนก็ไปคำเอาวงวงมันก็บอกไม่ใช่มันเป็นเหมือนงู เอกคนก็บอกไม่ใช่ไปคำที่งามันไปนเหมือนหอกนีมันถูกทั้งนั้นน่ะถูกทั้งสี่คนแต่มันไม่ถูกหมดอันนี้ก็เหมือนกันการฟังธรรมจากผู้ที่ไม่ได้บรรลุธรรมไม่เห็นด้วยด้วยดวงตาเห็นธรรมนี้จะไม่สามารถแสดงธรรมให้ถูกต้องได้ก็จะมานั่งถกเถียงกันว่าอ ต้องใช้สติหรือไม่ต้องใช้สติต้องมีสมาธิหรือไม่ต้องมีสมาธิต้องอยู่กับครูบาอาจารย์หรือไม่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อะไรติดปัญหปัญหาร้อยแ800ดพันประการความสงสัยต่างๆก็จะมีอยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับคนที่เห็นธรรมแล้วนี้จะไม่มีความสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจจะ เห็นสิ่งที่พระ <apan> พุพทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องปฏิบัติกันทุกทุกข้อทรงให้รักให้ทําทานก็ต้องทําทานถ้ามีเงินไปเที่ยวเนี่ท่านบอกให้เอเงินไปเที่ยวนี้มาทําทานกันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำํำถ้าต้องเก็บเงินไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช้กับของจําเป็นก็ไม่ต้องเอามาทําทานะ แต่อย่าไปหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะมาเที่ยวกันมาเล่นกันมาซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นกันมันจะทำให้เราไม่มีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติมาภาวนากันอันนี้ก็ต้องทำกันทำทานกันถ้าเราอยากจะใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของไม่จำเป็นต่างๆ ตั้งเอาเงินนี้ไปทําบุญกันมันจะได้หยุดเที่ยวกันหยุดซื้อของกันจะได้หยุดหาเงินกันจะได้มีเวลามาหาธรรมกันอันนี้พอมาปฏิบททัติธรรมท่านก็สอนให้รักษาศีลกันผู้ปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลห้านี้ไม่มีกําลังพอที่จะสนับสนุนการภาวนา พราสศีล้านี้มันมีช่องว่างให้กิเลสมันออกมาหนีหนีออกมาพาจิตออกไปเตลิดเปิดโปงไม่ไม่ให้จิตยอยู่กับการภาวนานั่นเองเพราะถ้าถือศีลห้าก็ยังกินข้าวเย็นได้ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้ยังไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงสถานบันเทิงต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปทากิจกรรม ทางร่างกายได้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผ า, าทำผมนอนก็นอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้นอนบนเตียงใหญ่ๆพวกหนาๆจะได้นอนสบายจะได้นอนมากๆก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันอันนี้ก็ถ้าผู้ที่ บำเพ็ญผู้ที่ปฏิบัติด้านนี้จะสอนตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติทุกอย่างสติก็ต้องมีสมาธิก็ต้องมีปัญญาก็ต้องมีมันถึงจะบรรลุได้ถึงจะฆ่ากิเลสตัณหาได้ถึงจะบรรลุทำขั้นต่างๆถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ไม่มีข้อยกเว้นต้องบำเพ็ญทุกข้อ ทานก็ต้องทําศีลก็ต้องรักษาตอนต้นก็รักษาศีลห้าแล้วก็เพิ่มเป็นศีลแปดพอศีลแปก็ไปเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิพอได้สมาธิก็ให้เจริญปัญญาพอเจริญปัญญาก็จะหลุดพ้นทำท่านทรงสแสดงเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าธรรมเหล่านี้มันเป็นเหมือนขั้นบันไดมันสนับสนุนกัน เหมือนตอนที่เราเรียนหนังสือเราเรียนขั้นอนุบาลเพื่อสนับสนุนให้เราเข้าสู่ขั้นปถมได้เราเรียนขั้นปถมเพื่อให้เราเข้าสู่ขั้นมัธยมได้เราเรียนขั้นมัธยมเพื่อให้เราเข้าสู่ขั้นอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรีโทเอกได้เราไม่ใช่จะมาเลือกไปเรียนขั้นระดับปริญญาเอกเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านขั้นต่างๆไปเรียนก็เรียนไม่จบ เรียนก็แล้วก็เรียนแล้วก็สอบตกเสียเวลาไปเปล่าๆฉันใดการทําทานนี้ก็เป็นขั้นต้นที่จะสนับสนุนให้พวกเราสามารถรักษาศี่ห้ากันได้พอเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะมีกําลังที่จะรักษาศีลแปดพอรักษาศีลแปดได้เราก็จะมีกําลังที่จ ะ, จะเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้ เมื่อเราจเจริญสติทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เราก็สามารถเอาปัญญามาหยุดกิเลสได้มาละกิเลสตัณหาต่างๆได้พอเรามีปัญญาไว้ละกิเลสตัณหาได้การหลุดพ้นก็จะเป็นผลตามมาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็เป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนดังที่ทรงได้แสดงไว้เป็นขั้นๆ คือหนึ่งสมาธิที่อบรมด้วยศีลแล้วนี้มีอ น, นิสงส์มากมีประโยชน์มากแล้วก็สมาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วนี้ก็มีคุณประโยชน์มากจิตที่มีปัญญาอบรมก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย นี่คือทมที่สนับสนุนกันการจะมีสมาธิต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนถึงจะได้สมาธิถ้าไม่มีศีลนิจใจจะไม่นิ่งใจจะวอกแวกใจจะวุ่นวายไปกับการทำบาปทำกรรมต่างๆจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาจะเจริญสติควบคุมใจไม่ให้คิดวอกแวกไปถึงเรื่องราวต่างๆได้ แล้วก็พอใจมีความสงบนิ่งใจก็จะมีพลังที่จะใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้เนี่ยธรรเหล่านี้จึงเป็นธรรมที่สนบสนุนกันศีล ส, สนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญาสนับสนุนให้เกิดวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง อันนี้เป็นธรรมของผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่บรรลุธรรมท่านแสดงไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแสด ง, สดงไว้อย่างนี้ครูบาอาจารย์ต่างๆที่บรรลุธรรมท่านก็แสดงธรรมอย่างนี้กันไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องเจริญสมาธิไม่ต้องรักษาศีลเจริญปัญญาได้เลยอันนี้ไม่มีสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมนี้ ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนี้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะไม่มีใครสอนอย่างนี้มีแต่พวกที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่นสอนให้ใช้ปัญญาเลยดูจิตเลยฆ่ากิเลสเลยดูไปก็ฆ่ามันไม่ได้ไม่มีกําลังไม่มีกําลังของสมาธิไม่มีกาลังของศีลไม่มีกาลังของทานที่จะสนับสนุน นี่คือการฟั่งเทศฟั่งธรรมฟังแล้วไม่เกิดปัญญาฟังแล้วไม่เกิดพลังก็ได้หรือฟังแล้วเกิดปัญญาฟังแล้วเกิดพลังก็ได้อยู่ที่ผู้แสดงว่ามีทำแท้หรือทำปลอมถ้าฟังทำปลอมแล้วฟังแล้วจะไม่เกิดวิริยะไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าฟังจาก ผู้ที่มีธรรมแท้นี้เวลาฟังแล้วจะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นจะเกิดวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรมากขึ้นจะเกิดสติมากขึ้นเกิดสมาธิเกิดปัญญาเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเวลาฟังแล้วมันน่าสนใจถ้าฟังความจริงนี้ฟังที่มันฟังแล้วจะมีมันจะน่าสนใจฟังทำให้ฟังแล้วไม่เบื่อ แต่ถ้าฟังธรรมที่ไม่มีเหตุไม่มีผลฟังแล้วมันฟังแล้วมันน่าเบื่อฟังแล้วก็ไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอย่างนั้นการฟังธรรมนี้บางทีฟังแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็มีหรือว่าผู้ที่แสดงธรรมอาจจะแสดงธรรมแท้ แต่ผู้ฟังก็ไม่ได้ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือฟังแบบทัพพีในหม้อแกงก็ฟังไม่ได้ผลเช่นเดียวกันต่อให้ฟังธทำกับพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ฟังโดยไม่มีสติก็เหมือนกับไม่ได้ฟังฟังแล้วใจก็คิดอยู่แต่เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่งรอเวลาให้ท่านว่าเอวังมีด้วยประการละชนี้จะได้ยกมือสาธุสาธุ ก็ได้แค่นั้นน่ะได้ตอนสาธุดีใจว่าจบสถทีเอวังไม่รู้จะจบดีไม่ดีเอาจบก็จบเอาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขออนุโมทนาให้พรพาลังตายแล้วถ้ามีแต่พวกฟังนี้ก็ไม่รู้อยากจะพูดไม่อยากจะพูดแล้วตอไปนอแต่สาธุอย่างเดียว ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ต้องการถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่ถามตอนนี้เวลาเลิกประชุมแล้วก็จะไม่ตอบอย่างของงดก็จะได้พักผ่อนตอนนี้ต้องการถามถามได้เลยถ้ายังไม่มีคำถามจะให้ทาง บ้านที่ฝากคำถามเข้ามาให้ทางพิธีกรได้ถามมาคำถามจากทางบ้านจากคุณซูซี่หากเราทะเลาะหรือด่าแม่ชีที่มีศีลไม่ครบทำตัวไม่น่านับถือเราจะบาปไหมคะโยมกลัวบาปและมีสติจึงใช้ขันติแต่กลัวว่าวันหนึ่งขันติอาจจะหมดมเลยขอกราบเรียถามพระอาจารย์ไว้ก่อนคะ่ะ อ๋อด่าใครก็บาปทั้งนั้นเนี่ยงั้นอย่าไปด่าใครทั้งนั้นเขาเขาผิดเขาถูกก็เรื่องของเขาว่ากล่าวตักเตือนกันได้แต่อย่าใช้พรุศวาะอย่าใช้อย่าด่าด้วยความโกรธความเกลียดถ้ามีหน้าที่ต้องบอกความผิดถูกตาหนิติเตียนว่ากล่าวตักเตือนก็ว่ากันได้ด้วยเหตุด้วยผลแต่ไม่ควรด่าด้วยความโกรธเกลียด คำถามต่อไปจาก Facebook Live นะคะคำถามจากคุณแอนนาหลานชายลูกพี่ชายชีวิตยุ่งเหยิงมากๆสงสารเขาค่าไม่รู้จะช่วยยังไงเขาแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้การงานไม่มั่นคงครอบครัวพ่อแม่ไม่มั่นคงไม่มีการวางแผนชีวิตมีปัญหาด้านการเงินติดยาเลิกได้ก็มากินเหล้าติดบุหรี่ พ่อแม่เลยพาไปดูดวงกับพระพระบอกจะมีเคราะห์ให้บวชแล้วพี่ชายไม่มีเงินบวชให้มาขอกับหนูหนูก็ไม่มีให้ค่ะสามีทํางานหาเงินเราขอแล้วสามีไม่ให้สามีบอกว่าเงินที่พวกเขายืมไปยังไม่ได้ใช้คืนเราในฐานะเป็นญาติเราควรช่วยเหลือและสังเคราะห์หรือส่งคราะห์ อ, อย่างไรดีคะถ้าเรา สามารถสงเคราะห์ได้แล้วเราอยากจะสงเคราะห์เขาก็สงเคราะห์ไปแต่ถ้าเราสงเคราะห์ไม่ได้หรือไม่อยากจะสงเคราะห์ก็ให้คิดว่าเป็นกรรมของศัตว์ไป <c oughs> เขาทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปคำถามจะคุณชีวิตที่แตกตา่างทำอย่างไรถึงให้จิตตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะการทำงานมีเหนื่อยล้าบ้างใจอยากทำให้มากขยันให้มากแต่บางทีร่างกายทำไม่ทำไม่ได้อ่อนล้าห่อเหี่ยวไปเยี่ยมป่าชาบ่อยๆไปดูศพ บ, บ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะตื่นตัวขึ้นมาคำถามจากคุณธงชยัย ผู้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดในที่ ท, ที่ต่างหรือเหมือนกับผู้บรรลุชาระดับที่ไปเกิดเป็นพรหมอย่างไรครับออพระโสดาบั น, นีท่านจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาปฏิบัติธรรมต่อไม่เกินเจ็ดชาถ้าภานาคามีถึงจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมได้แล้วก็บรรลุ ไปปฏิบัติในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปคำถามจากคุณพนพิทักษถ้าพ่อแม่ทำกรรมไม่ดีผลกรรมจะตกถึงลูกไหมครับเออรากำกายกรรมมันเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่น คำถามจากคุณมงคลพอดีนั่งสมาธิไปประมาณชัช่วโมงแล้วรู้สึกถึงเวทนาความปวดก็ลองที่จะรู้ถึงความปวดนั้นสักพักความปวดหายไปแต่อยู่ๆออกจากสมาธิเลยโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนจะให้นั่งสมาธิได้แค่นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไปครับเพราะหมดสติสติหมดกำลังมันก็เลยออกมา ถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องเจริญสติต่อบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเหมือนเข็นรถขึ้นเขาเวลาบริกรรมพุโทโธตอนที่อยากจะอยากจะลุกเนี่ยมันจะเหนื่อยแต่ก็ต้องพยายามทําให้ได้พยายามพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้ คำถามจากคุณทองอุษาเมื่อปลายปีได้เข้าทำงานที่ใหม่โดยได้เบอร์ผู้จัดการคนหนึ่งจากเพื่อนลองโทรไปปรากฏว่าผู้จัดการคนนั้นเรียกให้สัมภาษณ์แล้วได้งานทำมีคนใหม่มาด้วยสี่คนพร้อมกันหนูเป็นคนมีประสบการณ์มากที่สุดได้เขตการขายดีที่สุดตัวเลขเยอะก็เริ่มถูกมองว่าเป็นเด็กเส้นหนูก็พออธิบายได้ต่อมา มีเรื่องขึ้นอีกคือเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมงานคนใหม่ได้ยินเรื่องผู้จัดการว่าเป็นคนไม่ดีจึงมาจับ ก, กลุ่มนินทาหนูกล้วยแขวะอยากเข้ากลุ่มด้วยควัวไม่มีเพื่อนและบางเรื่องผู้จัดการก็ทำจริงแต่ก็รู้สึกผิดเพราะผู้จัดการก็ดีกับหนูต่อไปตั้งใจว่าต่อไปตั้งใจว่าจะทำงานไม่ฟังผู้ใดมากแล้ววันรุ่งขึ้นมีการเลียากาัน ตึงๆทะเลาะกันถกเถียงกันว่าใครพูดอะไรหนูพยายามตั้งสติแต่จิตก็ตกเหมือนกันขอแนวทางพระอาจารย์ว่าจะทํางานให้มีความสุขอย่างไรและทังตัวอย่างไรต่อไปคะก็ทํางานอย่าไปยุ่งกับคนอื่นคนอื่นเขาจะพูดเขาจะทำอะไรก็ถ้าไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับงานเราก็อย่าไปสนใจ คำถามจากคุณพัรคณิกะสมาธิต่างกับฌานหนึ่งอย่างไรคณิกะสมาธิมันก็เหมือนฌานอยู่ในฌานสี่แต่มันอยู่เดี๋ยวเดียวแล้วก็ถอนออกมาถ้าอ ป, ปนาสมาธิก็จะอยู่ในฌานสีได้นานคำถามจากคุณดอกแก้วสวดมนต์ยังไงให้มีสมาธิคะ ก, ค ก, ก็สวด ไ, ไปนานๆ สวยไปยังกว่าจิตจะเนิ่งจิตจะสงบตอนนี้คำถามหมดแล้วค่ะให้เราถามบ้างไหม่าปฏิบัติไปทางไหนแล้วก็มามาฟังเทศฟังธรรมนั่ง ปีใช่สามเจ็ดอ่ะสี่แปดอ่ะสี่แปดสี่หกศูนก็สิบสองปีสสองปีแล้วได้อะไรบ้างก็ได้ไปหลายคนนะไปปฏิบัติกันก็ได้บ้างก็เหมือนตกปลาเยมันจะได้ทั้งทั้งหมดเลยคงไม่ได้ ก็เอาที่เตัวสองตัว่มีคำถามเลยอ่ะถามเลยน้ำประการหลงพ่อค่ะหลกมีคำถามว่าพูดใกล้ๆหน่นอยรับจ้าง เ, เก็บเงินกู้ดอกร้อยละยี่สิบอ่ะบาบไหมเจ้าคะ อ๋อไม่บาปเพรมันโหดกหรร้ายความเมตต า, ามันโลภไม่ใช่หนูอะค่ะอไม่ไม่บาปเพราะถ้ามันเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่ายเราไม่ได้ไปเที่ยวเข็นบังคับเขาเหมือนเราขายของแพงอะแต่เขาอยากจะซื้อก็ช่วยไม่ได้คือเรื่องนี้เป็นลูกชายหนูอะคะ่ะหนูโทรไปถามว่าตอนนี้สบายไหมเขาบอกว่า เออหนูพอมีรับจอบพิเศษแล้วถามว่าจอบอะไรเขาบอกว่ารับจ้างเก็บเงินกู้บอกอุ้ยดอกมันแพงเหลือเกินแล้วหนูก็เลยไม่ความสบายใจว่าบาปหรือไม่บาปแต่โหดใช่ไหมเจ้าคะเออแต่เราเป็นเราเป็นคนรับจ้างไม่เกี่ยวอะก็เป็นคนเหมันก็ไปเก็บเงินเท่านั้นเองเออแต่ถ้าอยากไปเก็บแบบที่ต้องไปซ่อมเขาอะไรท่านั้นเอ ง, ถ, งถึงเวลาก็ไปเก็บถ้าเขาให้ก็รับไว้ไม่ให้ก็ กลับไปบอกเจ้าของก็ยังเก็บไม่ได้อย่าถ้าไปขม่มขู่ไปทําร้ายร่างกายเขาอย่างเนี้ยถึงจะบาปาสาทุหนก็บอกลูกชายอย่างนั้นเหมือนกันเอ่ออย่าไปทําร้ายคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราคนอื่นทําร้ายเราเราจะรู้สึกอย่างไรเจค่ะเราก็ไม่ควรไปทําร้ายผู้อื่นมีคําถามใหม่เข้ามาอย่างมีค่ะคําถามจากคุณเอก เอาลูกน้ำให้ปลากินจะได้บุญหรือบาปครับบาปสิเพราเหมือนกับการฆ่านะเอาสิ่งที่มีชีวิตเอาลูกเราไปให้หมากินมั่งเดี๋ยวนี้ดูเส้นจะได้บุญหรือได้บาปาคำถามจากคุณดอกแก้วขณะขับรถไปทำงานท่องพุทโธได้ไหมคะได้แต่ไม่ควรถ้าขับรถควรจะอยู่กับการขับรถจะดีกว่า มือแต่ไปพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวรถตัดหน้าก็เบรกไม่ทันก็เกิดอุบัติเหตุได้เวลาทำอะไรให้มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำเป็นหลักแต่ถ้าใจเรายังไปลอยไปคิดเรื่องอื่นนั้นเราใช้พุโทโธเดินกลับมาได้อยู่แต่ยังต้องอยู่กับการขับรถเป็นหลักอยู่อย่าไปเผลอไปทำอย่างอื่นที่ไม่สาคัญเนะ เอาสติอยู่กับงานที่เรากําลังทํากําลังหันผักหันอะไรแล้วก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็หันเอานิ้วไปออออแสดงว่าไม่มีสติเหตุเวลาทําอะไรต้องมีสติอยู่กับงานที่เราทําเป็นหลักแต่ถ้ามันจะไปคิดนู่นคิดนี้แล้วดึงมันมาได้ด้วยพุทโธก็เดินกลับมาให้มันอยู่กับการหันผักอยู่กับงานที่เรากําลังทํา คำถามจากคุณจุธาทิพย์ภาวนาด้วยพุทโธแล้วไม่สงบหนูเลยหยุดแล้วลองพิจารณาขบผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นพอถึงเอ็นรู้สึกว่าลมหายใจเหลือแต่ลมหายใจละเอียดแต่มีอาการปวดขาเพิ่มขึ้นไม่สามารถพิจารณากายต่อเลยเปลี่ยนมาพุทโธแต่สู้เวทนาไม่ได้อีกจึงเปลี่ยนมาท่องผมขนขนเล็บฟันหนังเร็วๆก็สู้เวทนาไม่ได้เลยหยุดภาวนาหนูควรทําอย่างไรคะ ก็ควรหมั่นจเจริญสติไปก่อนก่อนที่จะมานั่งสติเรายังไม่มีกำลังมากพอพอเจอทุกขเวทนาก็ถูกกิเลสมันเอมันฉุดลากไปดึงให้เราลุกออกจากการนั่งสมาธิไปแต่ถ้าเรามีสติมีกำลังมากเราก็จะอยู่กับการนั่งต่อไปได้ยังก่อนจะมานั่งควรที่จ ะ, จะเจริญสติให้มากมาก คำถามจากคุณทันวารินช่วงนี้เมื่อได้ยินเสียงการพูดคุยรู้สึกรำคาญ ร, รำคาญใจขอวิธีการวางใจค่ะก็ต้องทำใจให้สงบอ่ะให้มีสติอยู่กับคำบริกรรมก็ได้เวลาไม่สบายใจรำคาญใจก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าส่งใจไปถึงสิ่งที่ทำให้เราลำคาญพอเราดึงใจออกจากเรื่องที่ทำให้เราลำคาญได้ ความลองคานใจมันก็จะหายไป <ทำ S 1> หมด <ทำ S 1> แล้ ว, ลวพักก่อนมาเป็นพักๆเดี๋ยวนี้บางวันก็มากบางวันก็น้อยบางวันนี้มากถามเกือบจะหมดเวลาเลยบางวันก็น้อยเพราะเดี๋ยวนี้ฟังทุกวันถามทุกวันแต่ก็มีคนใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆ พอวันหนึ่งก็มีคนติดตามอยู่ประมาณสามร้อยกว่าเป็นประจําแล้วดูย้อนหลังอีกเกือบห้าหกพันมั้งเห็นยอดที่เขาขึ้นอแล้วเข้าถึงนี่วันละประมาณห้าหมื่นหกหมื่นแต่ไม่ทราบคําหมายว่าเข้าถึงนี้หมายถึงไงก็ไปถึงเครื่องของพวกเรามันเข้าถึงเครื่องพวกเรามันก็เรียกว่าเข้าถึงแล้วแต่เราจะดูไม่ดูนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าดูเขาก็จะบอกว่ารับชมถ้าเข้าถึงก็เวลาหกหมื่นห0 0มื่0เจ็ดมแล้วถ้ารับชมก็ประมาณห้า0ันห0พถ้าดูตอนถ่ายทอดสดก็สามร้อยกว่าก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากทำให้คนที่ไม่สามารถมาถึงที่นี่ได้สามารถรับฟังได้จากทางบ้าน สามารถรับประโยชน์ได้ถึงแม้จะไม่มีคนมาที่นี่เลยก็ยังทำประโยชน์ได้ตั้งเทศคนเดียวไม่มีคนฟังก็ยัง <c oughs> <c oughs> ก็มีคนฟังทางบ้านอยู่ <c oughs> คำถามสักคุณเริ่มต้นใหม่การสวดมนต์จุดประสงค์เพื่อจุดประสงค์ของการสวดมนต์ไหว้พระจริงๆแล้วคืออะไรครับแล้วสวดบทไหนดีครับ ก็คือการเจริญสตินี่การทําสมาธิแบบหยาบหยาบคือดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าเราปล่อยให้ใจคิดมันก็จะไม่สงบมันก็จะฟุ้งมันก็จะวุ่นวายใจเพราะเราดึงมันมาสวดมนต์ความพุ่งความวุ่นวายใจก็จะหายไปเช่นเรากําลังวุ่นวายกับลูกกับสามีกับภรรยา พอเรามาสวดอยู่กับการสวดเราก็ลืมเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาไปความฟุง้งความวุ่นวายใจก็ร ง, งับไปชั่วคราวแต่ยังไม่นิ่งสงบรวมเป็นอัปปนาสมาธิถ้าอยากจะนิ่งก็ต้องบริกรรมพุทธโทธคาเดียวหรือเพ่งดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว อ, อย่างนั้นมันก็จะรวมเข้าเป็นอัปปนาสมาธิ จิเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ได้งั้การสวดบวชสวดบทไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราจะชอบเราชอบสวดบทพุทธคุณก็สวดบทพุทธคุณไปชอบธรรมคุณชอบสังฆคุณก็สวดไปชอบธรรมจักรก็สวดไปชอบสติปัฏฐานสูดก็สวดไปความจริงการสวดนี่มันถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาด้วยเพราะเป็นเหมือนกับการอ่าน อ่านเทศของพระพุทธเจ้าพระสูตรของพระสูตรก็คือเทศนาของพระพุทธเจ้านั่นเองเช่นธรรมจักรกับปวัตนาสูตรถ้าเราสวดไปแล้วเราขับแปลความหมายได้เราก็จะได้ปัญญาคำถามจากคุณหนูไก่ถ้าไม่สบายทานยาฆ่าเชื้อเป็นบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกเชื่อโลกมันไม่มีดวงวิญญาณเชื่อโลกเหมือนเหมือนต้นไม้เนี่ย ฟันต้นไม้ก็ไม่บาปฆ่าตัดต้นไม้ก็ไม่บาปเพราะมันไม่มีดวงวิญญาณตอนนี้คำถามหมดคะ่ะมีคุณพิมคอมเมนต์เข้ามาว่ามีประโยชน์เจ้าค่ะหนูฟังทุกวันอ่าสาธาาุให้กำลังใจคนพูดบ้างาคนพูดก็ให้กำลังใจคนฟังคนฟังก็ต้องให้กำลังใจคนพูดบ้างาไม่ใช่ว่าฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ถ้าฟังแล้วเป็นเหมือนทัเพีในหะม้อแกงก็อย่าพูดดีกว่าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เท่าเท่าที่เข้าไปอ่านคำนั้นก็เข้าไปดูนะก็มีคนบอกว่าได้ประโยชน์บางคนก็มาถึงที่นี่มากราบขอบพระคุณว่าเมื่อวานนี้ก็มีคนมาบอกว่าช่วยดับความทุกข์ใจต่างๆได้มากทีเดียวหลังจากที่ได้ฟังเทศฟังธรรม คนที่บ้านใส่บาทบางคนเขาก็มีความทุกข์ใจตอนนี้เขาก็หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสได้เห็นหน้าเราก็หัวเราะก็ทามันทำให้เราได้สติได้ปัญญาได้รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากตัวเราเองแล้วเอาค้อนมาทุบศีรษะเราเองเราไม่รู้พอรู้ก็หยุดเอาหยุดเอาค้อนหยุดทุบมันเราก็หายแล้ว ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากต่างๆของเราเองอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เมื่อเช้านี้ก็มีลูกสาวพาแม่มาบอกว่าตอนนี้แม่ก็ทุกข์กับสามีทุกข์กับลูกอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่เป็นเราก็เปรียบเทียบก็ฟังว่าเหมือนกับอยากให้มรกรเป็นสัพพรดเนี่ยอยากปจญวันตายมันก็มันเป็นไปไม่ได้มะกอมันก็ต้องเป็นมรกรเออ จะให้มันเป็นสัปเหร่ได้อย่างไรคนเขาเป็นแบบนีจ้จะให้เขาเป็นแบบนั้นได้อย่างไรทุกไปเปล่าๆนอนร้องห่มร้องไห้บอกแล้วมันไปเปลี่ยนเขาได้เปล่ามันก็เปลี่ยนเขาไม่ได้พอหยุดอยากปั๊บก็หัวเราะได้ <c oughs> <c oughs> เราบ้าไปอยากให้มรกรเป็นสัปเหล่อ <c oughs> คำถามจากคุณจันทร์ผาหากการเจริญสติจัดเป็นสัมม า, ม า, ต ส, มมาสติในมรรคแดการทำสมาธิจัดเป็นสัมมาสมาธิแล้วการเจริญปัญญาอยู่ในข้อใดของมรรคแปดครับก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะองค์ประกอบของปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องกับความคิดที่ถูกต้องเช่นเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเราก็จะคิดทำบุญละบาปกันอันนี้ก็เรียกว่าปัญญา เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากต่างๆเราก็หยุดความอยากกันอันนี้ก็เป็นปัญญาคงถามจากคุณชุตมิมลขอพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางการทํางานที่ปัจจุบันมีแต่การแข่งแย่งแข่งขันกันทุกคนต้องการจะเป็นที่หนึ่งหนูเบื่อมากแต่ยังมีความจําเป็นต้องทําอยู่ค่ะ ก็ให้คิดว่าเราทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็แล้วกันเราไม่ได้ทําเพื่อให้เป็นที่หนึ่งที่สองเราทําเพื่อให้เรามีเงินทองให้เราอยู่ได้แบบในหลวงสอนนะเศรษฐกิจพอเพียงทําเพื่อให้เราอยู่ได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับทางร่างกายแล้วเราเอาเวลามาศึกษาธรรมกันดีกว่ามาเป็นที่หนึ่งในทางทําเงินดีกว่าที่หนึ่งในทางธรรมนี้เป็นได้ทุกคน แต่ที่หนึ่งในทางโลกนี้เป็นได้ทีละคนใช่ถ้าจะเป็นนายกก็เป็นได้คนเดียวถ้าจะเป็นซ e อของบริษัทก็เป็นได้คนเดียวแต่ถ้าอยากจะเป็นอรหันต์ทางพระพุทธศาสนานี่เป็นได้ทั้งหมดนี่เลยเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับใครแล้วดีกว่าการเป็นซ e อเป็นอะไรซะอีก พระอรหันต์นี่สุดยอดของการเป็นเลยนะมาเป็นอรหันต์กันดีกว่าอย่าไปเป็นอย่าไปบ้าเป็นซีออเป็นประธานเป็นอะไรเลยคิดอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราจะสบายใจเพราะว่าถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ป็นเป็นตลอดนะตายไปก็ยังเป็นอยู่นะถ้าเป็นซ e o ีนี่เดี๋ยวออกจากงานก็จบแล้วนะพออายุหกสิบเขาก็เสียแล้วจบละ เป็นประธานาธิบดีเป็นเห็นไหมเนี่เพิ่งเปลี่ยนไปคนเก่าแปดปีก็หมดแล้วนี่คนนี้คนใหม่เด็กแปดปีก็หมดแต่เป็นอาหันน์นี่ไม่มีวันหมดตายไปก็ยังเป็นอยู่ไปแข่งเอาแข่งของที่ดีดีกว่ของไม่ดีอย่าไปเอาแต่เราไม่มีปัญญากันเรามีความหลงกันเราเลยไปเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกบัวกัน เห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันก็เลยทุกข์ร้องห่มร้องไห้เครียดกันของที่เป็นสุขกับไม่เอากันค่ะำถามจากคุณวัดการทําสมาธิช่วยได้มากเวลาที่เราจะตายเราเอาความตายเป็นอารมณ์ได้ไหมครับพระอาจารย์ได้คือทำมันทำใจให้สงบแบบไหนก็ได้ถ้าเรายอมรับความตายใจเราก็จะสงบ ถ้าเราไม่ยอมรับความตายใจเราก็จะวุ่นอย่างเมื่อเช้านี้กเทศสอนญาติโยมที่ศาลาว่าเนี่ยที่เราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายกันแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อถึงเวลาจะตายก็ยอมตายเสียพอยามตายมันก็จะหยุดความอยากไม่ตายได้พอไม่มีความอยากไม่ตายมันก็จะไม่ทุกข์กับความตาย มันก็จะเย็นจะสบายที่บอกให้ใช้สูตร ส, สามยอก็ลักษณะนี้ยอมตายพอยอมตายแล้วก็จะหยุดต่อสู้หยุดต่อต้านความตายหยุดความอยากไม่ตายพอเราหยุดความอยากไม่ตายได้ใจก็เย็นใจก็สงบตายอย่างสงบตายอย่างสบายตายอย่างพระอริยะเจ้าคาถามจากคุณรัทธดา ทัพีในหมอ้อแกงแปลว่าอะไรคะโอนีแหละถ้าต้องให้แปลก็ <laughs> มันก็สดแล้ว่ะสดสดของทับพีแล้วมั <laughs> ้ คำถามจากคุณนาริพรถ้าฟังธรรมแล้วปฏิบัติอยู่บ้านได้ไหมคะเอ่อปฏิบัติที่ไหนก็ได้ถ้าปฏิบัติได้เรื่องแต่ว่าที่สถานที่มันก็มีมีผลดีผลไม่ดีต่างกัน ผลถ้าที่มันสงบผลก็จะดีกว่าที่ไม่สงบถ้ามีอะไรรบกวนการปฏิบัติมันก็จะทําให้ได้ผลน้อยหรือได้ได้ผลช้า mm hmm. ก็เหมือนขับรถที่เปรียบเทียบให้ฟังอยู่เรื่อยๆขับรถบนทางด่วนกับขับรถอยู่ใต้ทางด่วนเนี่ยอันไหนจะไปเร็วกว่ากันถ้าขึ้นทางด่วนได้นี่มันปั๊บเดียวก็ถึงแต่ถ้าขับใต้ทางด่วนนี่โอ้ยมันไปเจอสี่แยกไปเจอรถ รถเสียรถจอดรถชนกันอะไรกันกว่าจะไปถึงคนที่เข้าไปถึงทางด่วนเขาหลับสบายแล้วคำถามจากคุณไพรินเวลาภาวนาพุทโธพุทโธแต่อีกใจก็นึกอยากไปทำบุญที่นั่นที่นี่แต่รู้พุทโธตลอดแบบนี้จะแก้ยังไงดีคะแต่ก็มีความสุข ก, กับความอยากของตัวเอง คือการปฏิบัติมันมีสองระดับไงระดับนักบุญกับระดับนักบวชนะมันจะขัดกันถ้าเราจะเอาอย่างใดต้องเอาอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นนักบุญก็ไปเลยอยากจะไปทาบุญที่ไหนหล่อพระเททองที่ไหนใช ถ้าเป็นนักบุญก็ไปเลยแต่ถ้าเป็นนักบวชนักภาวนาก็อย่าไปให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปต้องพุทโธแบบไม่ไปคิดถึงถ้าพุทโธแล้วยังคิดถึงการอยากไปทําบุญอยู่ก็สแสดงว่าพุทโธยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ถี่พอต้าให้พุทโธยังทั่งลืมเรื่องทําบุญไปเลยเพราะว่าการภาวนานี่มันได้บุญมากกว่าการไปทําบุญแต่ทีนี้ฐานะของคนเรามันก็ต่างกัน คนที่ยังไม่มีกำลังที่จะภาวนาไม่มีกำลังที่จะพุทโธก็ต้องอาศัยบุญที่เกิดจากการไปเททองหล่อพระไปไปเป็นเจ้าภาพกระถมกระถิ่นเน<ป>ี่ยไปก่อนแต่คนที่เขาภาวนาได้เขาก็ไม่ต้องไปเขาก็อยู่ปีกวิเวกอยู่ในป่าเอาสมาธิเอาปัญญาดีกว่าเป็น คำถามจะคุณวอลกอะไพระอาจารย์บอกว่าจะหายปวดจ้องจากการภาวนาต้องเจริญสติการเจริญสติทำอย่างไรครับก็ให้บริกรรมพุทโธไปทั้งวันนะลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดให้ฟุ้งซ่านคิดเท่าที่จำเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดก็คิดได้เรื่องที่ไม่จำเป็นก็อยากคิดาใช้พุโทโธหยุดมัน แล้วใจเราจะมีสติใจเราจะสงบใจเราจะสบายเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้นานสงบได้นานสงบได้เลยคคำถามจากคุณสุนันทชัยนำเงินใส่บาทตอนเช้าในบาทพระบาบไหมครับอ๋อไม่บาบก็เป็นการทำบุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ถูกกาลเทศะเท่านั้นเองถ้าอยากจะถวายเงินพระนี่ต้องฝากกับลูกศิษย์ให้เขาเก็บไว้ พระไม่สามารถรับกับมือไว้เองได้ไม่สามารถครอบครองถือเงินถือทองเองได้แต่ฝากให้กับลูกศิษย์ได้เวลาพระต้องการที่จะใช้เงินใช้ทองซื้อของที่จําเป็นก็บอกให้ลูกศิษย์เขาจัด ก, การหามาได้ถ้าอยากจะทําบุญอย่าเอาไปใส่บาตรอย่าให้กับมืออย่างของเงินที่ให้มานี้ก็ที่นี่ก็ให้ใส่ซองไว้แล้วก็ใส่วางไว้กับที่ให้ถวายแต่ใบปวานา ใบบอกว่าได้ถวายเงินไปกี่ตังค์จะได้รู้ได้จะตรวจเช็คลูกศิษย์ได้จะ๋ยลูกศิษย์มันคำถามจากคุณพุทธรักษษาการสู้กับเวทนานั่งสมาธิเพชรใช้พุทโธภาวนาเมื่อเวทนาแก่กล้าพุทโธหายเมื่อพุทโธแน่นเวทนาหายต่อเมื่อวางใจได้เวทนามีอยู่พุทโธมีอยู่ และเมื่อวางได้ทั้งเวทนาและพุโทโธจิตเฉยๆพร้อมและสุดท้ายวางทั้งหมดสว่างแจ้งในจิตทีนี้เวลาความอยากเกิดจะเห็นชัดและดับได้ด้วยเหตุผลต่อไปก็เห็นแค่เกิดและดับแต่ส่วนลึกรู้อยู่ว่ามีจเจริญมาถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญามันจะทําลายความอยากได้อย่างถาวร แต่ถ้าใช้สติเช่นคำเบิการพุโทโธมันก็จะหยุดได้เป็นช่วงๆไปช่วงที่มีสติมันก็จะหยุดความอยากได้แต่พอช่วงที่เราไม่ใช้สติมันก็โผล่ขึ้นมาได้ยิ่นถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็ต้องเจริญปัญญาต่อไปเวลาเกิดความอยากก็ต้องพิจารณาว่าการทำตามความอยากนี้จ ะ, จะนำไปสู่ความทุกข์การจะนำการยิ่จะทให้ความทุกข์หายไปก็ต้องไม่ทาตามความอยาก ถ้าเราเฝื่นความอยากไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปคำถามจากคุณซันไรส์ถ้าเราเริ่มต้นจะทำงานหรือทำสิ่งใดด้วยความแน่วแน่แล้วระหว่างที่เรากำลังเริ่มเกิดเจ็บป่วยทำให้หลายอย่างที่เริ่มต้นต้องหยุดไปพอหายจากการเจ็บป่วยเหมือนตัวเองเริ่มต้นไม่ถูกหลงทางเหมือนตัวเองคิดมากคิดไปมากมายจะเริ่มอย่างไรดีเพื่อให้สงบคะ ก็เริ่มที่สตินั่นแหละถ้าใจฟุ้งซ่านสับสนก็ทําใจให้นิ่งก่อนให้สงบก่อนจเจริญสติพุโทโธพุโทโธให้ใจสงบความคิดวุ่นวายต่างๆมันจะได้หายไปพอใจสงบแล้วใจจะมีเหตุมีผลเราก็เริ่มคิดด้วยเหตุด้วยผลได้ว่าต่อไปนี้เราจะทําอะไรดีเรามีความสามารถที่จะทําอะไรได้เรามีความจําเป็นจะต้องทําอะไรบ้างไม่ต้องทําอะไรบ้าง ก็จะใใชช้้เหตุ ค, คำถามจากคุณวันคืนล่วงไปเมื่อวานนั่งฟังพระอาจารย์เทศในท่าพับเพียบเกิดทรมานในขันขาปวดขึ้นมาเหมือนจะหักแต่นึกคาที่นึกคาของพระอาจารย์ให้ลองผ่านไปโดยใช้พุทโธมันก็หยุดปวดได้แต่มีอาการปวดขึ้นมาอีกกระผมก็ทนสู้ต่อไปผ่านไปจนพระอาจารย์ให้พรกระผมทาถูกไหมครับไม่ไปยุ่งกับการปวด ถูกว่าเป็นการปล่อยวางเวทนาถ้าเราปล่อยวางได้ต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทรมานใจใจเราจะเฉยเฉยจะอยู่กับมันได้อย่างสบายคำถามจากคุณไปวัดทำบุญเวลาจิตเกิดกิเลสเวลาจิตเกิดกิเลสพอกามมาก็นึกถึงอสุภะพอกโกรธมาก็นึกถึงเมตตาแต่ทําไมช่วงนี้มาตลอดจนบางครั้งหลุดไปตามกิเลสที่เกิดขึ้นจริง จริงไหมครับที่เขาบอกว่ายิ่งปฏิบัติกิเลสยิ่งโจมตีเพื่อทดสอบก็มันเมื่อมันถูกกีดกันมันก็ต้องพยายามที่จะสู้กับเราเพื่อให้เราแพ้มันจะได้ทำตามสิ่งที่มันอยากจะทำได้แต่ถ้าเราสู้กับมันจนกระทั่งมันแพ้มันก็จะหายไปยั่งถ้ามันยังมาอยู่เราก็ต้องสู้กับมันไปจนกว่ามันรู้ว่ามันสู้เราไม่ได้มันก็จะยกธงขาว แล้วมันก็จะหายไปหมดไปงั้นช่วงที่ต่อสู้กันมันต้องมามันต้องโหมลุกบุกเร า, เาลุกเรามากขึ้นไปตามลําดับงั้นกำลังของสติของปัญญาของเรานี้จะต้องมีไว้สู้กับมันให้ได้ถ้าเราแพ้มันมันก็มันก็ยังคลองหัวใจเราอยู่แต่ถ้าเราชนะมันมันก็จะหายจะหายอย่างราบคาบจากใจเราไป นในช่วงที่ต่อสู้กันมันเป็นธรรมดามันมีเท่าไหร่มันก็จะต้องส่งผลของมันมาบุกเพื่อให้เอาชนะเราให้ได้แต่ถ้าเรามีกำลังสู้กับมันได้เดี๋ยวมันก็ยอมแพ้มันก็หยุดค้าถามจากคุณรุ่งปัญญาที่จะรู้แจ้งเรื่องธาตุสี่ที่จะทำให้จิตเราปล่อยวางกายได้ ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากสมาธิเท่านั้นหรือเปล่าคะ อ, อ๋อไม่ใช่หรอกเป็นปัญญาที่มีสมาธิสนับสนุนสมาธิกับปัญญานี่คนคนคนละเรื่องกันปัญญาไม่เกิดในสมาธินีปัญญาเกิดเวลาออกจากสมาธิมาแล้วพิจารณาเช่นพิจารณาร่างกายว่ามาจากดินน้ําลมไฟ มาจากอาหารมาจากน้ําที่เราดื่มมีจากอากาศที่เราสูดเข้าไปมาจากความร้อนนะีร่างกายนี้มันเป็นส่วนผสมของดินน้ํานมไฟเมื่อเวลาร่างกายนี้ตายไปส่วนผสมทั้งสี่ส่วนนี้ก็แยกทางกันไปถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการเข้ามาของดินน้ํานมไฟและเป็นการแยกสลายของดินน้ํานมไฟ ไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้เราต้องพิจารณาเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือเราหัดบวกลบคูณหารเราก็ต้องใช้ความคิดเราไม่สามารถที่จะไปใช้มันในขณะที่อยู่ในสมาธิได้เพราะในขณะที่อยู่ในสมาธิจิตมันจะนิ่งจะสงบมันไม่คิดอะไรเฉนั้นอย่าเข้าใจว่าต้องเกิดมีปัญญาในสมาธิไม่ใช่แต่ต้องมีสมาธิเพื่อมาสนับสนุนการคิดในทางปัญญา พอจิตที่ไม่มีความไม่มีสมาธิจิตมันจะหิวโหวยมันจะหิวกับเรื่องของกิเลสมันจะไม่ยอมมาคิดถึงเรื่องของธรรมะแต่ถ้าจิตมีความสงบจิตมันจะอิ่มแล้วมันสามารถคิดทางทางปัญญาคิดทางธรรมะได้พอมันคิดทางธรรมะมันก็สามารถที่จะปล่อยวางละกิเลสตัณหาได้ งังต้องมีสมาธิแล้วต้องมีปัญญาควบคู่กันถึงจะสามารถละกิเลสตัณหาต่างๆได้ถ้ามีปัญญาอย่างที่พวกเรามีกันตอนนี้พอกิเลสเกิดขึ้นมาก็ยกทงขาวยอมแพ้มันเลยเพราะว่าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสุขในตัวเราพอกิเลสบอกไปเที่ยวไหมไปเลย แต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบในใจไปทำไมไปให้เหนื่อยขี้เกียจไปอยู่บ้านดีกว่ามันมันจะคิดคนละแนวกันถ้าเรามีความสุขในตัวเราจะไปหาความสุขข้างนอกทำไมในเมื่อความสุขในตัวเรามันดีกว่าความสุขข้างนอกอยู่แล้วไปก็เหนื่อยเปล่าๆเสียเงินเสียทองเสียเวลาอยู่บ้านอยู่กับความสงบไม่ดีกว่าเลยแต่ที่เราอยู่กันไม่ได้ก็เพราะมันไม่สงบ มันหิวมันโหยด้วยความอยากมันก็เลยต้องไปพอกิเลสมาชวนเพืพ่อนโทรมาปั๊บไปไหมตุจีนใกล้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไปหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าจิตสงบแล้วไม่ไปละเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าไปก็เท่านั้นไปแล้วเดี๋ยวกลับมาก็เหมือนเดิมสู้อย่าไปดีกว่าไปแล้วก็ไปแล้วก็อยากจะไปอีกมันจะติดจะหยุดไม่ได้ แต่ถ้าไม่ไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปใครม่ชวนไปไหนก็ไม่ไปเห็นไหมเนี่ยเราอยู่นี่มากี่ปี เ, ยเคยไปไหนไหมญาติโยมมีแต่ไปมีแต่มานี่ไม่รู้กี่กี่รอบวะเนี่ยเราก็อยู่ที่เดียวเนี่ยไม่รู้จะไปไหนอยู่ที่ตรงนี้มันสบายอยู่แล้วไปที่ไหนมันไม่จะสบายกับที่นี่หรอกถ้าจิตมันอยู่ตัวมันอิ่มตัวแล้วมันไม่อยากจะไปไหน มันกัลละกิเลสตันหาต่างๆได้ไม่ไม่เดือดร้อนไม่มีความอยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไรคำถามจักคุณจําโบ ทุกที่เกิดจากนี้สินมากมายมองไม่เห็นทางออกเลยเราควรทําอย่างไรเพื่อให้ใจคลายทุกข์ครับก็ขายทรัพย์สินไปเลยมีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็ขายไปถ้าขายไม่พอก็ให้ข้อประกาศล้มละลายไปเหมนจะเป็นปัญหาเลยอยู่แบบคนขอทานสบายไม่มีใครมาคอยมารบกวนเราถ้าเป็นเศรษฐีเดี๋ยวคนนั้นก็มาขอคนนี้นก็มายืมไม่ให้ก็โกรธเราเกลียดเราเองด่าเราเอง ถ้าไม่มีล้มละลายก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเราไม่มีใครมายุ่งกับเราเราก็อยู่ของเราพุโทโธพุโทโธไปสบายจะตายไปย่ายอมล้มละลายเถิดยอมหยุดเย็นแล้วจะสบายเมื่อเราล้มละลายเราจะไปฝืนทําไมเมื่อเราไม่มีปัญญาที่จะใช้นี่ก็ยอมล้มละลายไปเมื่อล้มละลายแล้วเราก็จะได้อไม่ต้องมาใช้นี่ให้เหนื่อยยากามีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ เ, เดี๋ยวสิบปีมันก็หมดใช่ไหม เอาอีกคนอะหมดแล้วยังยังอีกสักคนอ่เอาอสุดท้ายก็แล้วกัน คำถามข้อสุดท้ายจากคุณพัชราเกิีทำบุญกับพระที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือศีลไม่บริสุทธิ์ได้บุญไหมครับอ๋อได้บุญมันมีสองส่วนไงส่วนที่เกิดจากการเสียสละเงินทองนี่ได้ไม่ว่าจะให้กับใครให้กับพระให้กับพ่อแม่ให้กับเพือ่อนฝูงให้กับหมาให้กับแมวก็ได้ความสุขคือบุญก็คือความสุขใจอันนี้ได้เหมือนกันแต่ประโยชน์ส่วนที่สองที่จะได้จากผู้รับนี่จะต่างกัน ถ้าให้กับคนที่มีความารู้เราก็จะได้ความรู้จากเขาถ้าได้จะให้จากคนที่ไม่มีความรู้เราก็จะไม่ได้รับความรู้จากเขามันก็จะส่วนนั้นเราก็จะไม่ได้ไปถ้าเราทำบุญกับพระที่มีปัญญามีความรู้เราก็จะได้ปัญญาฟังเทศฟังธรรมจากท่านถ้าไปฟังไปทาบุญกับพระที่ไม่มีปัญญาก็จะไม่ได้ไม่มีปัญญาไม่ได้รับปัญญาจากท่าน ก็มีต่างกันตรงนี้ในส่วนที่สองในส่วนแรกนี้ทํากับใครก็เหมือนกันทํากับพระอรหันต์ทํากับพระทุศินก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่รู้ว่าท่านทุศินหรือไม่ทุศินเราคิดว่าท่านเป็นพระเหมือนกันเราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระทุศินเราทําเราก็ทําด้วยก็จิตใจที่บอยสุทอยากจะให้ท่านได้รับความสุขจากการทําบุญของเราอย่างนี้เราก็จะได้ความสุขกลับมาเท่ากัน